และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับเรื่องของค้างสามวันผาวา2คืนครับสวัสดีครับคุณบอยสวดีครัี่แจ็ครับผมอ่านะครับคุณบอยตอนนี้ <c oughs> โทรมาจากที่ไหนคุณโทรมาจากลาภเพานี่ครับชกยศอยู่แถวลาภเพ้ า, พาชกไทยศรีนะตอนนี้ถามก่อนว่าคุณบอยใช้สมอท้องอยู่หรือเปล่าไม่ได้ใช้นะพี่ เสียงมันแป่งแหว่งแปลกๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเสียงมันขัดขากลาหายไปเดี๋ยวผมจะบอกนะเอาได้ครับนะฮะอ่ะคุณบอยเราทําความรู้จักกันมาพอสมควรแล้วไม่ต้องถามอะไรกันมากมุยกันเลยเรื่องนี้นะครับเรื่องที่บอกว่าไปเจอไปเจอตอนที่ต้องเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดครับผมนะครับถามก่อนว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานหรือยังอืมตลอดนานเหมือนกันนะนานพอดูประมาณพอหลังจากที่ เนี่ยเสียงเสียงคุณบอยมันแขว่งแว่งอ่ะฮัลโหลฮัลโหลดีไมครับอันนี้ชัดฮะโอเคไม่ไม่ได้ใช้สมอลท็อกนะไม่ได้ใช้ครับผมถือพือถืออยู่เลยอ๋อโอเคอันนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับประมาณกี่ปีฮะเรื่องนี้โอ้โหคือผมผมจำตัวเลขไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่น่าจะน่าจะประมาณสิบปีนิดนิดสิบปีขึ้นนะ นิดๆนะครับเพราะว่าอ่าเรื่องนี้มันมันมันเกิดหลังจากที่ผมเลิกทํากับเพื่อนเกี่ยวกับไอ้การกําจักรปูกมาแล้วอืมโอเคอมาว่าถึงเรื่องนี้เลยฮะเรื่องของค้างสามวันผวาสองคืนไปเจออะไรมาคุณบอยคือมาหนีครับหลังจากที่ผมเลิกทํากิจการกับเพื่อนแล้วนะฮะกําจักหปูเนียเลยกลับมาที่บ้านนะฮะแล้วก็มาทํากิจการของทางบ้านอืซึ่งทางบ้านผมเนี่ยก็ทํากิจการเกี่ยวกับอรับหมาสร้างแล้วก็ครับ การขายสีเสียง<า>ยคุณคุณบอยมันแขว่งครับอ่ามันเบาเบดังๆฮนะชัดเลยครับพี่อตอนนี้ชัดนะฮะเดี๋ยวสักพักถ้าเป็นอีกผมจะบอกอีกทีแล้วครันนิ่งๆไว้ะนะมือถือนิ่งๆไว้ออืครับผมจะทําตัวให้นิ่งๆนะพี่แล้วก็กิจ ก, การที่ที่บ้านผมก็ขายสีแล้วก็รับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างนี้ครับอะไรกลับมาช่วยช่วยกิจการที่บ้านออื <c oughs> ซึ่ง มันมันก็จะมีงานออกต่างจังหวัดบ่อยๆแล้วก็พา ง, งานภายในกรุงเทพอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่งานจะออกไปต่างจังหวัดนะครับพบลำเหมา mm. มันมีอยู่ขรั้งหนึ่งคืออ่าผมได้รับงานนะครับต่างจังหวัดแล้วไซ่งงานไซ่งงานเนี่ยคือมเป็นกแบบัแบเหมือนกับพึ้งก่อสร้างพึ่งอะไรอย่างเงี้ย mm. แล้วก็จะมีคนงานเข้าไปก่อสร้างนะครับแล้วมันต้ อ, อยู่ต้องอยู่ทํางานที่นั่นแหละประมาณสามถึงสี่วันด้วยกัน <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าอผมก็จาเป็นจะต้องหาที่พัก ทัวคราวนะครที่มันไม่ใช่ตัวโรงแรมแล้วก็เป็นแบบเหมือนแบบถูกๆอะไรอย่าที่ภากกันทีแต่ที่จังหวัดนั้นน่แถวๆนั้นเขาไม่มีเหมือนเหมือนขอโทษนะครับเหมือนเป็นม้านรูดให้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยออืแต่มันจะมีอาพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ที่ก็ปกติก็คือต้องเช่าเป็นรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแบ่งให้เช่าเป็นรายวันด้วยเวลาสามหรือสี่ร้อยก็วาดกันไปอะไรอย่างเงี้ยออืผมก็เลยเข้าไปติดต่อเพื่อขอพัก ขอพักที่นั่นอพาร์ทเม้นที่ผมไปขอติดต่อชอบเลซึ่งมันอะสถานที่เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากไซ่งานเท่าไหร่นะนะฮะก็ถ้าเดินนี่ก็ประมาณสองป้ายรถเมล์ก็ถึงละนะฮะโอเคก็เข้าไปอ้าพี่ขอบอกเลยว่าอพาร์ทเม้นท์เนี้ยบรรยากาศเหมือนเหมือนเรากำลังดูเรื่องบุพาราปีพักแรกเลยเก่าๆมึดๆทะเบียนๆนัไนเหรอโอมๆแต่กไมาเยอะมาก แล้วก็มีห้องอยู่ปรายๆนะฮะมันมีอยู่ทั้งมีทั้งหมดสี่ชั้นด้วยกันอผมมาอยู่ชั้นสี่เลยซึ่งชั้นสี่เนี่ยอยู่ตรงอแถวของชั้นสี่เนี่ยมันเป็นกลางมันยังไงอ่ะเป็นห้องของกลางแถวเลยอะ่ะกางแถวของชั้นสี่นะฮะและทั้งชั้นแตไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ผมมาอยู่คนเดียวออืก็เข้าไปนะฮะก็เข้าไปพักเปิดดูอะไรอ่คือเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมันก็ดูแบบ ดูแบบเก้าๆดูอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะที่เพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราเราอยู่ไม่กี่วันอ่ะพักแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกฮะก่อนเข้าก็เลยยกมือไหว้กุมน้ำขอแบบขออยู่ขออยู่ไปชั่วคราวนะครับคือมาดีนะฮะถ้ามีอะไรอ่ะมีอะไรที่ร่วงเกินไปอ่ะขออภัยด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะทําบุญไม่ให้รสิกยังไงกนัานไปตอนนั้นก็ก็ด้วยความที่บอกว่าออ อย่างน้อยๆเราก็ควรต้องยองไวยก่อนเข้านิดนึงก็เ ข, เข้าไปพี่เข้าไปเสร็จก็พักตามปกติไม่มีอะไรนะครับในคืนแรกเนี่ยคือตกกลางคืนจดึกๆนะพี่ตอนอนๆน อ, นน อ, นน อ, นอยู่ได้ยินเสียงเหมือนอะไรหล่นภายในห้องอืมก็สลุมสลือแล้วตื่นขึ้นมาปรากฏว่ามันแปลงสีฟันะที่ผมเพิ่งเอามาใหม่มันหลนอยู่ที่พื้นระวังไว้ตรงไหนตอนแรก วางที่ตะแกรงเลยครับคือในห้องน้ําเนี่ยมันจะเป็นประตูที่พักออกผักเข้าไปในตัวห้องน้ําอำนะฮะผักเข้าไปในตัวห้องน้ําแล้วห้องน้ําเนี่ยมันอยู่ข้างๆเตียงออข้างเตียงที่ผมพักนะครับครับผมก็หันไปทางซ้ายแล้วก็เห็นนะเห็นในแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันะมันล้วงลงมาที่พื้นครับตรงมุมห้องมันจมีเมันเป็นตกร้าเล็กๆอ่ะที่ทิ้ง้าออกใช่ไหมครับตะกร้าเล็กๆที่ใส่แปรงสีฟันยาสีฟันยาสับป๋ออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ข้างล่างก็จะมีแบบเหมือนเป็นชั้นตะกร้าเล็กๆอีกอักอนหนึ่งซึ่งวางพวกอ่าอาจจะเป็นน้ํายาขัดห้องน้ําหรือเป็นอะไรประมาณนั้นครับผมก็หันไปดูปรากฏว่าไอ้แปรงสีฟันยาสีฟันมันล่วงอยู่มันไม่น่าตกลงมาได้นะมันไม่น่าตกลงมาได้ใช่พีออ่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วห้องน้ําผมเปิดไฟด้วยก็เลยเดินไปแล้วก็ไปเปิดดูเอ๊ะมันหลงได้ยังไงพยายามดูก็ไม่ได้คิดอะไรก็เอาแปรงสีฟันะยาสีฟั น, นเสียบเข้าไป พอเสียบไฟเสร็จก็เปิดประตูก็ค่อยแง้มปิดเข้ามาแต่ผมเปิดไฟไว้นะเพราะว่ามันมืดมากอคือลักษณะอพาร์ตเอ่อพาร์ตเมนต์ที่ผมที่ผมที่ผมเนี้ยมามาเช่าอยู่เนี้ยที่หลังจากห้องน้ําไปเนี่ยเดินไปอีกนิดนึง น, น, นะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นเป็นอ่างล้างจานอ่างอะไรเงี้ยเล็กๆนะฮะแล้วก็เป็นหน้าต่างเลยซึ่งมันไม่มีเทอร์เรสแล้วหน้าต่างเนี่ยคือมันติดกับตัวตึก ข้างๆตึกเนี่ยมันยัมีตึกอีกตึกหนึ่งซึ่งซึ่งสร้างซ้อนกันอยู่แต่จะมีซอยเล็กๆฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามองเรามองไปทั้งหน้าต่างเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยมองเห็นแค่ตึกเลยนะฮะก็มันมืดพอมันมืดเสร็จผมเลยจําเป็นต้องเปิดไฟที่ห้องน้ำลงไปนะฮะก็เลยกลับมานอนที่เหมือนเดิมคือแรกก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปนะฮะตผมผมรุ่งเช้าผมก็ไปทํางานตามปกติอย่างเงี้ยกลับมาคืนที่สองด้วยความเหนื่อย ก็เลยหลับหลับไม่รู้เรื่องเลยหลับทั้งทั้งที่อยู่ในชุดทํา ง, งานก็หลับเลยครับมันรู้สึกตัวอีกทีนึงแตงสรีฟันกับยาสิีฟันมันหล่นอีกแล้วมันหล่นอีกครั้งมันหล่นอีกแล้วครับใช่อ่าแต่ในจังหวะที่หล่นเนี่ยผมก็เหมือนกับสะดุง้าางพะวังขึ้นมาออื hmm. แล้วก็แบบเหมือนค่อยๆเบี่ยงตัวด้วยความที่เราเกียร์พี่เรไม่อยากลุกก็ค่อยๆเบี่ยงไปแล้วลืมลืบเือนตาขึ้นมาออื hmm. อย่ดีๆที่ผมเห็นเนี่ยคือประตูห้องน้ําอ่ะมันค่อยเปิดออกออื ม, มันเปิดเข้าไปแต่ตัวประ <c oughs> ตูห้องน้ํำมาพี่ <c oughs> แล้วแปรงสีฟันยาสิฟันซึ่งมันหล่นแล้วอะ่ะมันก็หล่นอยู่แล้วนะแต่ที่มันมีอะไรเพิ่มเติมก็คือน้ํำยาขัดห้องน้ํำมาพี่อืมัมนหล่นออกมาออื ม, มันล่วงมาที่พื้น <c oughs> นะครับประตูก็ <c oughs> ก็แง้มออกผมก็สังเกต ถูกถุกทุกวินาทีเลยนะพี่ด้วยความตส่นเต้นมากด้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันมีมืออยู่มือหนึ่งนะคะค่อยๆโผล่มาจากประตูออืพี่แจ็คดูภาตามนะครับคือประตูเนี่ยห้องน้ําเนี่ยมันดังเข้าไปข้างในอถูกไหมครับฉะนั้นมันจะมีมุมอับจากด้านซ้ายของตัวห้องน้ำมันมีมือยื่นออกมาจากประตูเป็นมือเหียวๆนะพี่แล้วจับอไอ้เงี้ย จะไปขวดน้ํายาล้างห้องน้ําอะแล้วก็เคยลากเข้าไปในมุมในมุมอับเชื่อมองไม่เห็นอะไรตรงนะหลังหลังประตูคือลากเข้าไปหลังประตูถูกไหมลากเข้าไปหลังประตูออืฮะพอลากเข้าไปหลังประตูเสร็จได้ยินเสียงไอ้เนี่ยขวดน้ํายาล้างห้องน้ําน่ะมันหล่นอีกครั้งหนึง่งพอหลังจากหล่นอีกครั้งหนึ่งผมได้ยินเสียงอ้วกครับเป็นอ้วกที่แบบอ้วกดังมากๆอ่ะอ้วกโออ้วกแบบทรมานมากอ้วกอ้วกพออ้วกเสร็จผมรู้สึกเหมือนเหมือนห ระวังอะไรสักอย่างก็ตื่นสะดุ้งตื่นมาเอ้าฝันครับพอฝันเสร็จหันไปดูห้องน้ําห้องน้ําประตูมันเปิดพี่ไฟยังอยู่ครับและที่สําคัญคือทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันและขวดอเน้ํายาล้างน้ําตกอยู่ที่พื้นอุ้ยตกจริงๆเหรอตกจริงจริงอี่ตกอยู่ที่พื้นแต่ไอ้ขวดน้ํายาล้างน้ําเนี่ยมันยังอยู่ที่พื้นมันไม่ได้ถูกขยับเข้าไปหลังประตูครับอะรู้สึกไปดีละอื รู้สึกไม่ดีก็เลยเปิดไฟหมดเลยแล้วก็ไม่ได้นอนออืก็ไม่นอนเลยนะพี่ไม่นอนเสร็จอมันอยู่ไม่ได้อะ่ะเพราะว่าเราเหนื่อยเกินไปตอนนั้นช่วงนั้นประมาณตีสองครึ่าเกือบตีสามพี่ ม, มันเขิมแล้วมันหลับไปเองครับในช่วงว่ที่หลับเองอะ่ะในความฝันผมได้ยินอีกครั้งหนึง่งคือมันเป็นเสียงผู้หญิงนะพี่เป็นผู้หญิงกําลังอ้วกอยู่ในห้องน้ําอือ้วกแบบอ้วกแบบทุทนทุนลายแต่เขาเนี่ยผมเห็นภาพได้ชัดเจนมาก คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะกําลังสําลักอ้วกแล้วหลุดออกมาจากหลังประตูอื่ะฮะผมดํำๆนะพี่เป็นดำใช่แล้วก็อยู่ในชุดนักศึกษาอเขาอ้วกอ้วกแล้วก็คานมาแล้วก็อ้วกสักพักมีเลือดออกมาทางลูกแบบผสมอ้วกด้วยครับพออ้วกได้สักพักหนึ่งเขาหันหน้ามาแบบเร็วๆพี่หันมาทางผมอ่ะหน้านี่เปื้อนแบบเปื้อนเลือดแล้วก็เปื้อนอ้วก ผสมกันผมตกใจแล้วตื่นเลยอพอตื่นเสร็จนี้คือทางห้องอ่ะมันเปิดไฟอยู่แล้วอ่ะออืแต่เท่เนี้ยประตูห้องน้ําอะไฟมันมันดับครับพอมันดับเสร็จผมเห็นเหมือนเป็นลางๆที่เป็นลางๆเงาผญิงคนนั้นนะเขายิงอยู่ในห้องน้ําครับผมพลิ้ลุกขึ้นรีบลุกขึ้นเลยแล้วก็รีบคว้าทุกทุกอย่างที่มีที่คว้าได้แล้วก็วิ่งมาที่ไซ่งานที่คางานเขาอยู่กันตอนนั้นคือมันไม่น่าธรรมดาแล้วเพราะว่าฝันสองครั้งติดแล้วเหมือนเดิม เมืนเดิมพี่มันเดิมเลยแล้วกผมก็ไม่ไหวแล้ว<ะ>ผมก็เลยวิ่งไปที่ไซ่งานแบบเออไปคือไปหาพวกพี่ๆเขาอะพี่ๆพี่ๆคนงานแล้วบอกว่าพี่ขอนอนเลยไม่ไหวไม่ไหวบอกเขาเป็นอะไรเป็นไรเจออะไรท<ะ>ํ<ะ>าอะไรใครทําอะไรบอกอจะให้ผมเล่าเลยขอ น, อนอนก่อนเพราะวา่ามานอนคือพวกคนงานเขาก็ตั้งเป็นเต็มกันนะพี่เราก็นอนกันเต็นท์กันครับรุ่งเช้ามาวันนี้สามก็ก็ไม่มีอะไรก็ทํางานการตามปกติแต่ทีเนี้ย ของบางสางบางส่วนน่ะมันอยู่อยู่ในห้องควันที่สามผมกล่าว่าโอเคเดี๋ยวผมจะกลับละไม่มีอะไรแล้วมั้งก็คือกลับไปที่ห้องแล้วก็ไปเก็บของแล้วกะว่าถ้ามันไม่มีอะไรจริงหรือเราตาบานจริงอ่ะเราจะนอนอีกคืนหนึ่งแล้วตอนเช้าเราก็จะกลับเลยครับจก็ทํางานเสร็จนะฮะแล้วก็กลับไปที่ห้องอีกครั้งหนึ่งพอกลับไปที่ห้องครั้งหนึ่งคือกลับไปตอนนั้นช่วงประมาณสี่สี่ถึงห้าโมงย็นพี่ขอบอกเลยว่าบรรยากาศ ไม่เหมือนเดิมในวันแรกที่ผมเดินเข้าไปเลยอือืบรรยากาศมั น, น, มนเขาเนี่ยมันเริ่มเหม็นหเหม็นสับซับเหม็นอับอับอืมคือมันยิ่งกว่าเดิมที่รถคนดูแลข้างล่างเขาเริ่มไม่มีแล้วอ่ะ <c oughs> ก็ไม่มีใครอยู่ไ ม, มยไม่มีอะไรครับอ <c oughs> uh ่ะฮะจากปกติที่ขึ้นชั้นสองยังมีคนขึ้นชั้นสามคนเริ่มบางขึ้นชั้นสี่มันไม่มีใครแล้วซึ่งมีผมมาเช่าห้องอยู่คนเดียวทั้งชั้นครับ <c oughs> นะครับ ข่าวเนี้ยกลายเป็นว่าชั้นสองก็ไม่มีใครชั้นสามก็ไม่มีคนเดินเลยมันเหมือนเป็นห้องล้างๆอย่างไรไม่รู้ครับผมก็เลยขึ้นไปชั้นสี่อะแล้วก็เข้าไปในห้องนะครับพอเปิดมาเนี่ยพี่เออมันเหมือนมันมีลมอ่ะพี่<อ>พัดภาพหน้าผมมาเต็มเต็มซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเอ่อในห้องเนี้ยหน้าต่างมันชนกับผนังของตึกอีกตึกหนึ่ง หมายความว่าระหว่างตึกเนี่ยมันมีแค่ซอยเล็กๆซึ่งมันไม่มีทางมีลมเยอะขนาดนั้นในการตีเวลาผมเปิดประตูอกครับลมมันก็ตีมาพี่มันมีคือลมเนี่ยมันประพามามันมีทั้งกลิ่นกลิ่นสับสนกลิ่นเน็นหนับเบิ้ลผ้าที่แบบว่าถูกหมักหมมไว้ห ล, ลายปีที่กลิ่นมันจะเป็นยังไงไม่ไหวแล้ววะ่ะไม่ค่อยดีแล้วก็เลยเข้าไปในห้องแล้วก็เริ่มเก็บของเก็บของเก็บอะไรคออื ทีเนี้ยพ่อโทรมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับช้าหน่อยถ้าไงอ่ะอยู่ที่ห้องไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะรีบไปรับตอนนี้เขาติดธุระอยู่ให้รอก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปรับทําไงได้ล่ะเราก็ต้องรอกลับเพราะอนแล้วซึ่งไม่รู้ว่าต้องรอนานขนาดไหนก็ไม่รู้นะตอนนั้นยังไม่มีเวลากำหนดเลยทีว่าต้องรอนานขนาดไหนครับก็รอไปรอไปรอมา แเราไปดูมาดูทีวีไปตอนนั้นก็ประมาณสองทุ่ ม, มสงสัย ค, คงแน่ น, นอนที่นี่คืนแน่เลยอะไรเงี้ยก็พยายามพยายามข่มตาไม่ให้หลับพี่แล้วก็ดูทีวีไปเรื่อยๆแต่ด้วยความเหนื่อยมันก็เลยหลับแล้วเคริ้มแล้วก็หลับไปอืมกลับมาเหมือนเดิมพี่ในความฝันที่ผมเจอในวันที่สองเป็นผู้หญิงกระเถิบออกมาจากหลังประตูแล้วก็วกวกเต็มเต็มเลยพี่เต็มพื้นเต็มอะไรไปหมดเลยค แล้วเขาก็ห่นหน้ามาอย่างเร็วผมก็ตกใจแล้วตื่นมาจริงแต่คราวนี้ยคือตื่นมาเราเราจําได้ไงพี่ว่าตอนนี้เราอยู่เนี่ยเราปิดไฟอืเราปิดเราไม่ได้เปิดไฟทำไงอพอตื่นมาเสร็จทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยครับพอมันมืดไปหมดเสร็จอยังไงดีว่าขยับตัวไม่ได้ผมก็เลยก็ค่อยเอ็นัวไปเตีงเตียแล้วก็ค่อยๆหลับต่อคือมันทำอะไรไม่ได้พี่ก็เลยต้องหลับต่อพยายามฝึนให้หลับไป เขหลับเสร็จมันอยู่ในพวังอืมกลับเข้าไปในความฝันอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนมันมีผ้ามาไหวๆอยู่ตรงหน้าผมเป็นผ้าเหมือนเป็นผ้าผมไม่แน่ใจนะเป็นริ้วๆเป็นมาผ้าอะไรอย่างนี้ผมก็ลืมตาในความมืดปรากฏมันเป็นเป็นผ้าจริงๆอืมเป็นผ้าที่แบบห้อยลงมาจากเพดานนะพี่แต่ผมมองไม่เห็นนะว่ามันห้อยในลักษณะไหนครับผมเห็นแค่ลายผ้าที่มันห้อยลงมาแล้วมันก็ปาดหน้าไปมา ก็มือปาดปาดปดปดผ้าจากไหนวะในความฝันนะพี่ผ้าจากไหนวะก็เลยปัดปังไปแล้วพนรู้สึกว่าเนี่แหละคือความฝันเนี่ยป่าก็เริ่มโผลใหม่ครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือผู้ยิงคนนี้เขาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในห้องน้านลพี่เขาผูกคอตายอยู่ตรงกลางห้องเลยนะฮะซึ่งเขาเอาผ้าเนี่ยไปผูกกับเหล็กคือตรงทางเนี่ยมันมี เขาเรียกว่าอะไรเหล็กเป็นเหล็กลับษณะเเหล็กแคบซี่อะพี่เมืนเป็นเหล็กตัวสีที่ยึดนอสองข้างแล้วก็เอาพัดลมมาไปติดตรงนั้นแต่ทีเดียวตัวพัดลมมันไม่มีมันมีเอตัวเหล็กนั้นอะยึดแล้วเขาเอาผ้านะสอดเข้าไปแล้วผูกคออืมแล้วก็ผูกคอตายตรงนั้นและที่ปลิวๆเนี่ยคือมันเป็นผ้าที่มันปลิวโดนหน้าผมอืมผมตกใจตื่นขึ้นมาจากระวังเท่านี้ยมืดกว่าเดิมนะฮะ ก็หันไปหอดว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นนะอะยืนอยู่ในห้องน้ําเหมือนเดิมเลยพี่เป็นเงา ด, ำดำําๆอืมด้วยความตกใจอยู่สุดขีดเราไม่รู้จะทําไงก็รีบรีบวิ่งคือลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วจะพยายามจะวิ่งก่อนนอกระาตูวโทรศัพท์ดังพอดีก็พ่อโทรมาบอกว่ายุางล่างแล้วโอเคมาได้เงี้ยผมคว้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรีบเปิดประตูแล้วก็ออกไปเลยอืมประตูก็เปิดทิ้ไงไว้แล้ววิง่งทาลิทะเหลือลงไปครับ นิ่งตัตเรือเข้าไปแล้วก็ไปเจอพ่อวังพ่อบอกว่าเป็นไรเป็นไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่ไหวเจอผีเจอผีพ่อบอกว่ามีผีด้วยเหรอวะแต่มันก็น่ามีผีนะเพราะว่าพาร์ทเมนต์นี้ไม่ค่อยมีไม่มีคนเช่าเลยนี่เท่าที่ดูบอกว่าไม่มีคนเช่าอะไรมาเช่าตอนแรกมาเช่าตอนแรกชั้นสองก็เต็มชั้นสก็ยังมีคนเขาบอกว่าไม่ใช่ก็เมื่อกี้เนี่ยคุยเหยืยาวก็ม่ามีเงื่อมาเช่าคนเดียวสามวันติดเลยอออืมเ ก็เท่าไหร่ครับผมก็เลยกลับกับพ่อแล้วก็รีบออกเดินทางเลยกลับบ้านเลยหลังจากนั้นผมก็เลยโทรไปหาโทรไปหาคนงานที่ไซงานะครัคือคืออยากรู้ไงว่าอพยพกันเนี่ยมันมันมันอะไรกันแน่มันเป็นอะไรกันแน่แล้วผมไปเจออะไรออืคนงานเขาก็เลยไปถามคือเหมือนปฏิสนิทยามนะฮะรปภที่ที่ที่เฝ้าตึกนั้นรปภเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่ารปภเขา เขาเพิ unique, ่งมาทำงานที่นี่ได้เดือนเดียวเองที่เนี่ยเปลี่ยนรอปภไปเรื่อยแต่เขาจะถามคนเก่าๆให้ก็ไปได้เรื่องราวมาว่าที่ตึกเนี้ยมันยังไงคือมีมีเขาเรียกมีอุบัติเหตมีการค่ากันเยอะมากนะฮะส่วนที่แจ็คพอตจริงๆเขาบอกว่ามันมีข่าวคือเป็นนักศึกษามาเช่าที่นั่นะครับแล้วเขาทะเลาะกับแฟน เขาก็เอาน้ำยาล้างห้องน้ํำกินกินยาดำน้ำฆ่าเพื่อค่าตัวตายออือแต่ปรากฏ ว, ว่าเขาส่งโรงพยาบาลทันพอส่งโรงพยาบาลทันเสร็จก็ไม่ได้กลับบ้านนะพี่หลังจากที่พักรักษาตัวหายหายดีแล้วก็กลับมาเช่าห้องที่นี่ อ, อีกครั้งหนึ่งไม่นานนักเขาก็ผูกคอตายแคนั้นออืซึ่งไม่รู้ว่าตอนที่เขาผูกคอตายหรือว่าตอนที่เขาพยายามกินน้ํายาล้างห้องน้ําเนี่ยอันจั๊กพอทสุดๆคือเป็นห้องที่คุณ บอยไปอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้คือผมก็ไม่รู้นะว่<อ>าเป็ น, เ ป, นเป็นห้องนั้นหรือเปล่า<อ>แต่ในห้องนั้น ท, ทั้งสามทั้งสามวันเลยสามวันสามคืนที่ผมเจอ ค, คือมันเป็นอะไรที่มันแปลกอ่าอืมครับอ้นะครับเพราะว่เาเขาพยายามเหมือนจะมาสื่อมาบอกนะเหมือนจะมาสื่อมาบอกคุณบอยว่าเฮ้ยเขาเนี่ยทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงจังหวะเวลาที่เหมือนกับเป็นช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วพยายามฆ่าตัวตายอย่างที่เรารู้กันคือการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าตายไปแล้วนะครับจะต้องมาชดใช้ตรงนี้ต้องมาทําซ้ําๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆในเวลาเดิมๆทุกวันทุกวันทุกวั น, วนจนกว่าจะสิ้นอายุไขที่แท้จริงอ่ะใช่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไง เออนะครับสมมุติว่าเขาจะต้องตายในอายุหกสิบเจ็ดสิบแต่เขามาด่วนตัดสินใจตายก่อนในอายุยี่สิบกว่าเนี่ยจากนี้ไปจนถึงอายุหกสิบเจ็สิบต้องทําอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันต้องทรมานเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าแล้วจังหวะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับช่วงอหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นพอดีโออือแต่วันแรกเขายังใจดีนะยังไม่โกล่มาแต่ทั้งหมดเลยคือ คือถ้ามันผมว่ามันไม่น่าจะใช่เหตุบังเอิญจากเรื่องที่คุณบอยเล่ามานะเพราะว่าเขาพยายามจะทําให้เห็นคือหลับทุกครั้งก็จะฝันหนึ่งเขาทุกครั้งแล้วฝันอย่างเงี้ย<ช>เออ<ช>ฝันแบบต่อเนื่องกันอ่ะจากหลังประตูค่อยๆขยับออกมาให้เห็นแล้วก็ค่อยออกมานอกห้องเหมือนมาเป็นสเปกบะใช่เออผมก็ไม่มั่นใจนะพี่ถ้าผมอยู่คือที่สี่ที่ห้านี่เขาอาจจะมานอนร่วมเดียวตรงเตียงเดียวกผมก็ใช่อ่ะดีนะครับ แต่ก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วคืนที่สองไปนอนทำไมคือด้วยความภาระจํายอมก็คุณช่อยังไม่มารับอ๋อและอย่างคือถามว่าคนเราอ่ะมันนั่งอยู่เฉยนอนเล่นกลิ้งไปกลิ้งมายังไงมันก็ง่วงง่วงติดงจริงจริงแล้วยิงเราไปทำงานหนักมาเนี่ยครับครับมันก็เคลิ้มหลับเป็นธรรมดาใช่ใช่โอ้นะครับ นั่นคือเหตุการณ์ที่คุณบอยสรุปมาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับสถานที่แห่งเนี้ยที่มันมีรายละเอียดเยอะมาก<อ>ในในสามวันไม่ว่าจะเป็นนาทีตอท่อนาทีครับพี่อออืนะฮะอัอหนหนี้ ห, หล่นอันนี้หล่นบ้างอยู่ดีๆประตูปิดเองมั่งไรเง<อ>ี้ยซึ่งมันก็ไม่มีลมแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เป็นลักษณะที่แบบว่าเหมือนพื้นมันเทไปแล้วทำให้ประตูมันเองในลักษณะแบบแนวอรงโน้มถ่วงอะไรอย่างเงี้ย หลายอย่างที่เตียงลั่นครับเงี้ยมีเสียงกระจกแตกแต่ไม่มีกระจกอะไรแตกเลยอะไรเงี้ยคือละเอียดหยิบย้อยมันทำให้รู้สึกว่าเออมันก็ตลาดดีนะจนแบบมาเจอจังงวันที่สองแล้วันที่สามเลยคัะแล้วยิ่งเล่าบรรยากาศมาบอกว่าคล้ายๆกับหนังเรื่องบุปผาราตรีเนี่ยโอ้โหาดแบบนั้นเลยพี่เดินไปแล้วมันบึ้มขึ้มอืึ มันมีซาอุพาราตีผูกว่าหลนใช่เลยอนี่ยครับแต่ตอนนั้นคือไปเช่าด้วยแบบเาวะมันมันไม่มีอ่ะมันก็ต้องพักมันก็ต้องนอนเพราะว่าเราต้องทํางานเนาะแต่คือรถที่สองคันคือวันที่ผมเข้าไปเนี่ยวันแรกคือมันมีคนนะพี่ชั้นสองชั้นสามเนี่ยมีคนแต่มีคนปั๊บไปแต่มีคนเช่าจริงๆครับนะพี่นะแต่ผมได้ยินนะพ่อพูดบอกว่าพ่อเขาคุยกับยาหมวก ไม่มีใครเช่าเลยครับไม่มีใครมาเช่ามีแต่เรามีแต่ผมเท่านั้นนะที่ไปเช่าชั้นสี่อยู่ห้องเดียวเท่านั้นเออแล้วที่ผมเห็นคืออะไรครับนั่นแหละอาจเป็นเพราะว่าเหมือนเขามาทําให้เห็นแหละหรืออาจจะมาบอกให้รู้ว่าชั้นเนี่ยอยู่ที่ห้องนี้นะ อ, อ, อือนะครับเอาละฮะ <laughs> คุณคุณบอยนั่นคือเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เจอเรื่องนี้มานะครับเป็นเอาเป็นว่าเป็นหอพัก ที่หนึ่งก็แล้วกันที่หนึ่งครับที่หนึ่งที่หนึ่งเนาะนะครับเรื่องของค้างสามวันผวาสองคืนนะฮะยังไงขอบคุณมากมากนะคุณบอยนะขอบคุณพี่แจงมากครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเหมือนกันครับพี่พี่ช่วงนี้นอเด็กกันเยอะด้วยนะครับเ่อพัฒนาสุขภาพด้วยนะพี่นะาสมองโก่งโกงมากเลยผมเดือดรื้นู่นลืมอนี่ขี้รื้มากในช่วงนี้นะต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี่นะครับพยายามอยู่ฮะได้ครับคุณบอยยังไขอบคุณมากมากครับ ขอบคุณครับพี่ค ร, ครับสวัสดีครั บ, รบสวัสดี